น้อมต่อพรตาต่ต่อลบ ต, ต่อมู่สงุกลูกเจริญในทาบเจริญติโยมทุกคนในการจเจริญสติก็มีประสบการณ์มีบทเรียนในตัวแม่เราแม่เล่พูดได้พบกันก็มีคำพูดโดยสาธยายธรรมในประสบการณ์ แต่การมีสติอยู่ทุกเวลาอย่าน้อยก็เห็นความหลงเห็นความรู้เห็นความสุขความทุกข์สารพัดอย่างที่ผ่านดวงตาภายในของเราคือความรู้สึกตัวจะเหมือนว่าเราเดินเหยียบลงบนลบลงหลัง จากอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายใจเราความหลงความสุขความทุกข์อะไรต่างๆเรามีสติเห็นที่ใดรู้ทีได้ก็เป็นรอยแห่งสติจู่ทุกที่ทุกทางกับอาการต่างๆ ท, ที่เกิดขึ้นกับกายใจเราจนว่ามีแต่ลอยแห่งความรู้สึกตัว ในวนโลกคือกายพวกสองยาวาหนาคืบจะรพัดอย่างล้วก็ไม่มีรอยอืนอ่นมากเท่ากับรอยติตเหมือนกับเราทำนาในนาของเราแปลงด่างของเราสี่สิบห้าสบไร่นี่จะลอยเท้าของเรา้รอยมือของเราหรือเหมือนสุกโต้อยมืออาจจะเป็น เม็ดเต๋าของเราได้หยดลงที่นี่มามากเหมือนกันจึงเกิดเป็นสุกโตขึ้นมาลอยในกายในใจของเราเนี่ยมีรอยแห่งความรู้สึกตัวเราทําเรื่องนี้กันเมื่อมีรอยแห่งความรู้สึกตัวเต็มไปในกายในใจนะมันใจในความสมดุลของชีวิตของเราหรือว่าเป็นมาตรฐานของชีวิตเรา จากรอยแห่งความรกหลงหลังที่เกิดขึ้นกับใจใจเราเนี่ยมีมากเหลือเกินความทุกข์ก็มีจีข้างจีหุ่หุ่นโลกมันเกิดขึ้นว่าความสุขก็มีจีข้างจีหุ่นกเกิดขึ้นมาพิจตุกังวลเศร้าหมองต่างๆเกิดขึ้นดีใจเสียใจพิจตุกังวลเศร้าหมองอะมากเหลือเกินจนหนีไม่ได้ มืดไปหมดเลยมืดแปดด้านเป็นเชตดล้างสําหรับหลงตาเองสามีก่อนกลงคืนเป็นกวนกลางวันเป็นเรน็วไม่สงบเลยพอว่ารุเข้าไปารู้เข้าไปรู้เข้าไปเไปมื่อเป็นงานมาก็รู้ลงไปแล้วรู้แต่ละข้างรู้แต่ละข้างเอย่าไปคํานวณอย่าไปประเมินอย่าไปหาเห่าท้าฝ เอาเหตุเอาผลมาได้การกระทําอย่างนี้ไม่เหมือนทนํานาเราทํานาก็มีเสร็จเป็นแปลงเป็นแปลงแบบการกระทําที่เป็นการปฏิบัติทำนี้มันไม่เป็นรูปอย่างนั้นก็จะเปรียบมันเราสอนพัวสอนขวายวัยตัวเก่าพัวตัวเก่าง่าตัวเก่าถ้าเราใช่ไปใช่ไปใช่ไปก็เป็นงา น, ขงนเขาบรรเลงแล้วก็ใช้ได้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 เวลามันหลงมันมีรู้มันเป็นแล้วเวลามันทุกข์มันรู้หรือว่าเป็นแล้วเวลามันอะไรต่างๆมันเป็นแล้วมีแต่ความรู้เข้าไปมันเป็นงานแล้วงานนห่งควารู้สึกตัวเต็มไปหมดเลยไม่ใช่เต็มลุกลงหลังเหมือนกับลอยเท่าของเราเหยียบฝนนาไล่นาของเรามันเต็มไปด้วยพวกรู้สึกตัวเป็นนามธรรม เราจะไปสร้างตัวนี้กันอย่าประเมินอย่าไปหาเหตุหาผลถามลงไปเถอะทั้งไม่มีทั้งมีไม่มีความหลงมีความรู้มีความรู้บัญญัติความหลงหาไม่มีไม่มีเลยบอกกันได้มันเป็นข้อมูลเหมือนกับคอมพิวเตอร์เหมือนเก็บข้อมูลไว้เหมือนกับ โทรศัพท์ของเราหน้าจอนิ่เดียวมันเก็บข้อมูลไปห้าพันหายชื่อที่เราเลขโทรศัพท์ที่เราบันทึกลงไปจอโทรศัพท์เราเพียงนิ้วเดียวข้อมูลเปห้าพัน 5, เรื่องอยู่นะนั้นคลิปของเรานรรจนแล้วมันเป็นแนนต่ความรู้สึกตัวจนไม่มีอะไรเหลือในที่สุดไม่มีอะไรเหลือเลยอยากจะพูดว่าไม่มีแมเป็่อะไรในโลกนี้ อันนั้นคือเต็มแล้วไม่ใช่เต็มแบบเข้าขึ้นยุ่งขึ้นฉาดน้ำเต็มองเต็มอ่งเข้าเต็มกล่องไม่ใช่เส็แบบแ้บมัดเต็มคือมันไม่มีอะไรการเต็มของคุณภาพของชีวิตเราชีวิตนี่ไม่มีไม่เป็นอะไรเราเต็มแล้วมันว่างแล้วว่างจากความมีความเต็มมันว่างไปแล้วมันเต็มไปด้วยความเป็นดีเป็นเต็มตรงกระแทบพอดี สิ่งทมันว่างไม่ใช่มันไม่เห็นมันเห็นมาแล้วเห็นหลงเห็นมาแล้วเห็นทุกข์เห็นมาแล้วเห็นโกรธเห็นมาแล้วเห็นชีเลตตัางๆเห็นมาแล้วมันจึงไม่มีเห็นแล้วมันจริงไม่มีเป็นแล้วมันจริงรู้มีแล้วมัจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้ไม่มีคําถามหรอกถ้าเราหลงเราเคยรู้มาแล้วเราทุกข์เราเคยรู้มาแล้วมันก็อันเข่าเพราะตัวรู้มันได้ทำหน้าที่ หมายเสียงสว่างได้เกิดขึ้นกับแจบกความมืดอันภาวะที่รู้เนี่ยมันเป็นคุณธรรมไม่เป็นวัตถุที่ไปใช่ตลอดเวลาถ้าเรามืดเรามีไฟฉายเดินทางเข้มกรรมฐานมาถึงนี้ต้องใช้ตลอดเวลาแต่ว่าตัวรู้ไม่ต้องใช้เลยมันไม่ต้องใช้มันมีแล้วมีแล้วมันไม่หายไปไหน ตกด้ามไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเป็นสมบัติของเราจะมาพ้นใบขีไม่ได้เลยอันนี้มันเป็นเชิญแบบนี้การเป็นลักษณะแบบนี้ไม่มีใครให้กันได้เราต้องทาไว้เองมีมาแล้วนานมาแล้วสามพันปีสองพันปีจนมาถึงพวกเรานี่ม่ทรปลหลกอันนี้อยู่ในชีวิตเราอยากให้พลาดเธอพวกเรามันมีจริงๆมันเป็นจริงๆ พระพุทธเจ้าเป็นศาสตราเคยพบเรื่องนี้มาอย่มามวอดว้างกันเรื่องอืน่นเมื่อลวงตาไปสอนธรรมที่สิงคโปร์เขาพูดเรื่องเวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์ตังขานเป็นทุกข์เขก็บอกว่าฉันเป็นทุกข์ตรงไหนอ่ะไม่เห็นมีทุกข์อะไรบ้านก็มีอย่างดีอาหารก็ประโยชน์ะยัดเงินเดือนก็มีเยอะพี่น้องก็มีมาก เป็นคนดีๆสุขภาพก็ดีไม่เคยเจ็บไข้เลยป่วยเอา้าวนั่นหรือเป็นเรื่องดีอ่ะฮะถ้าคนเจ็บอ่ะถ้าคนแก่ถ้าคนตายอ่ะมีอะไรดีตรงนั่นหรือเปล่าเขาเลยบอว่าเอออันนี้ยังไม่มีเลยเมื่อมีความเจ็บคุณมีความไปเจ็บไหมเมื่อมีคนามแก่คุณมีความไมปแก่ไหม เมื่อมีคมตายคุณมีความหมายตายไห ม, ไมเขาตอบไม่ได้เราจึงมาสอนเรื่องนี้วิเชาอวดบ้านกันแม่แต่สีรตะมีบ้านตั้งสามฤดูเป็นเจ้าฝ้าชายมีสนมกบดังในพระองค์ไม่เบียด น, นี้ไม่เกิดไม่แจกไปเ่เฉยแต่จึงเสาะหาเรื่องนี้กันเพื่อเราอยาเอาอันอื่นมาต่อรอง บางทีเราเอาความเจ่ความเจ็บความตายมาต่อรองเพื่อทำานางนี้ไม่ใช่เลยนะจะบ้างฉันเจ่แล้วฉันสุขภาพไม่ดีอะไรต่างๆไม่ต้องออมานั้นแหละยิ่งดีจะได้เป็นคู่กันก็บองเธอว่าเมื่อฉันเจ่เราก็มไม่เจออยู่ในตัวความเจ่บ เมื่อมีความเจ็บต้องมีความไม่เจ็บอยู่ในความเจ็บเมื่อมีความตายต้องมีความไม่ตายอยู่ในความตายมองเป็นคู่แหวกเมื่อมีความหลงต้องมีความรู้นั่นเริ่มต้นแยกทางเลยเมื่อมีความทุกข์ก็ต้องมีความไม่ทุกข์แยกไปได้เลยเหยียบไปเลยสิทธิของเราที่ต้องขานต้องให้กันแล้วก็ขึ้นขึ้ น, นางมาแล้วข้อทางบาแล้วมีหรอกไห รอยแห่งความรู้สึกตัวที่เราเดินใช้ชีวิตร่วมกันมาที่สุกตูนี้พอพีรอยเห็นความรู้สึกตัวใหสี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาผมมีลอยนะอยู่พุทธยาดลอยชีวิตแบบนี้ไม่ลืมไม่ไหนไม่ใช่สี่สิบกว่าปีมันเป็นวันนี้ของเราได้พูดกับหมอกับผลช่วงหายใจไปได้หมอไม่ต้องห่วงนะหลวงพ่อมีประสบการณ์แล้วดี สี่สิบกว่าปีสสิกว่าปีมันเป็นมันนี้มันเป็นวินาทีนี้อันนี้คือเป็นทำให้มันเป็นไม่ใช่ความรู้ความรู้ที่เป็นความจำเน่ไม่ใช่เลยความรู้ที่เป็นเหตุผลไม่ใช่เลยเป็นการกระทำที่มันเป็นแล้วนะเราจึงมาทำกันอย่านี้ก็ให้ฐานนั้งแต่พวกเรามาพบกันนั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าฐานอยู่ตรงไหน เขอยู่ตรงนี่แหละคือภาวะที่รู้สึกแต่มันไปไหนก็เป็นความรู้สึกตัวเอาไว้อาจจะเป็นความสุขอาจจะเป็นความทุกข์เป็นความรู้มากมายจิตยนตญาณวิปัสจโนไม่ต้องกลัวบางคนกลัวกลัวจะผิดอย่างนั้นกลัวจะเป็นโทษอย่างนี้บางคนก็กลัวว่าจะไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยไม่ต้องมาคิดแบบนั้น เราต้องไปกลัวแบบนั้นนะว่าแต่รู้นี่เป็นฐานอย่างเดียวมันต้องมีฐานตีที่ตั้งไว้ให้เรารู้จึกตัวเลยรู้สึกตัวมันอยู่ที่ไหนหรอกไม่ต้องไปขอใครมันต้องมีีการเวลาตอนเช้าตอนเย็นมีทุกโอกาสแล้วก็ไม่ต้องสร้างด้วยเราใช้เลยเราจึงใช้ควารู้จึกตัวให้มากมากไม่ต้องสร้าง ใช่ไปในกายใช่ไปในเวทนาใช่ไปในจิตใช่เปในความสุขความทุกข์ต่อทั้งนั้นบันมีไหมกายมีไหมเวทนาที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์มีไหมความคิดแต่มันคิดตนคิดนี้มีไหมการเกิดอาการต่างๆเป็นธรรมารมณ์เป็นธรรมกุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตใจเรามีไหมใช่ไปเลยรู้ไปเลยรู้ไปเลย อยากให้มีตรงไหนที่ปิดบังอันผา ง, างถ้ามันมีให้ดูมันไม่รับไม่รีชีวิตเราบันแสดงอยู่ถ้าเป็นน้ํามันก็ไหลอยู่อันใหม่ไหลมาอันเก่าไหลไปแล้วดึนนั่งอยู่บนจุดเดียวก็ไหลไปหรือเพียงบังต่อบองหลักที่ปักอยู่กลางน้ำไหล ไปแล้วไปอีกแล้วก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้ไปตามน้ำที่มันไหลไปเรารู้อยู่เรารู้อยู่นี่คือฐานที่ตั้งไว้รู้ไว้รู้ไว้ตัวรู้เนี่ยมันไม่ไม่หมดแรงไม่ต้องออกแรงอย่าปไปนึกว่ามันออกแรงต้องสู้กับความหลงไม่ใช่นะถ้าจะนําจะเครียดรว่าคิดหลงไปแล้วเอาดึงกระเพาไม่ใช่ เยงแต่รูเบาเบาควมดักเพิ่งมบบ า, า, มาลูมันก็เบาความยากเบื่อลูมก็ง่ายไม่ใช่ว่าความยากเป็นความยากความหนักเป็นควาหนักลูมันก็เ บ, บาเบาเบวับวนที่ปฏิบัติทำมันต้องเบาเ บ, บยิบแยบเฉยใสอยากนอนตาไปบอกไปพูดกับโยมแม่ อ, อกเออยิ่งยิ่งแบบนี้แหละนะ ยิ้มตลอดเวลาได้ไหมอมยิ้มใช่ยิ้มยิกจะให้เห็นเหงืนะ่อฉันควันแม่มันมันมีโกรกยิ้มแบบนี้มันโกรกก็ยิ้มแบบนี้มันหลงก็ยิ้มย้มแบบนี้มันยากก็ยิ้มยิ้มแบบนี้อะไรที่มันพายหนักก็ยิ้มยิ้มอย่างนี้เบาๆอย่างนี้นมันเบาจริงๆหรือว่าก า, า, ายละหุ่ตาเบากายจิตตละหุ่ตาเบาจิตก็รู้จึกตัวภายเบาเบาเลย แต่ไม่ใช่โบแบบจะหาะเงินเดินฟ้าโบจะไม่มีตัวเปตนที่เหาะเหินหาะเหินเดินฟ้าที่ไปรองรับความสุขความทุกข์ไม่มีที่วางเหล่าดั้นันเบาตรงนี้แล้วกระดานฐานยังมีเราได้ฐานแล้วไปไหนก็ไปเถิดไม่ใช่อยู่สุกโตไปไหนก็ไปไปไหนก็มีความรู้อยู่แล้ว ไม่มีการเวลาใดที่จะทำให้เราไม่มีโอกาสที่เกิดความรู้สึกตัวไม่มีเลยในโลกนี้เรารสึกตัวลุจตัวไปอย่างนี้กลับไปทำจนหน้าดำเข้เทียดจนไม่หลับไม่นอนก็ไม่ดีดีแบบนั้นบางทีมาอวารกันไม่ต้องนอนในจัตุรัทิดดงเขาก็ไม่นอนนั่ง ที่อาจารย์เล่าดังสามสิบกว่าปีไม่โดนเลยลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะอาจารย์จจไหมโอ้ยอาจารย์ทำได้เราทำไม่ได้หมดเลยการไม่หลับไม่นอนเป็นเรื่องของอาจารย์แล้วแต่เราทำได้ยังร้องพ่อโกนดั่งหลังกดร้องกนจะเป็นนั่ง แ, แต่งหน้าตานี่ก็ก็ดั้งไม่ได้ถึงสามสิบกว่าปี ชีวิตก็ธรรมดาเนี่ยยืนเดินนั่งนอนพระพุทธเจ้าว่ามีสติอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนมีสติอยู่กับการคู่แขนเข้าการเหยียดแขนออกมีสติอยู่กับการเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลังมีสติอยู่การมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวามีสติอยู่กับ ผมจะบงทรงกีอนมีสติอยู่ครับกบการฉันเอาทุกอย่างเลยในการนั้นเฉมีอริบบทแบบไห น, นไม่ต้องไปบงังคับมานมันก็กินได้มันก็หิวได้มันก็ร้อนได้มันก็หาวได้ ม, ดไดมีสติเรื่อยไปไม่ใช่ไปหลับไปนอนแต่หลวงตาเคยฝึกมาเหมือนกันมานั่งเพ่งจันอาทิตย์ให้ตาไม่ต้องกระพริบแล้วก็หั มาเพ่งชี่กดเราก็หัดตามันเหล่เลยเพ่งชี่กดอะลตาตาเหล่ไปเกือนไปคืนมาเราก็นอนอยู่ใช่ไหมอา้าเราจะาสติเอาตาไปเพ่งชี่กดกดมันไม่อยู่เนี่ยมันไหลมันไหลอ ย, อยู่เรนะื่อยเหรอแล้วก็เองยนเวยไ ป, ไปพิเนเอาเกยเกยมามืนกันไหลไปตาเหล่ไปเลยไม่ไม่ใช่เลยแบบนี้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 เหมือนเราเล่นกีฬาเอาแบบไหนก็ได้งั้นเราเล่นตะ ก, ก้อเอาคนหนึ่งเอาลูกตายแก่ลูกตายตั้งให้ส่งมาคนหนึ่งตั้งไว้คนหนึ่งเอาให้ตายอีกให้คนหนึ่งตายจนแกจไม่ได้เอาลูกตายส่งลูกตายไปคนหนึ่งกนรับลูกตายไปตั้งลูกตายไว้ขึ้นมาคนหนึ่งเอาให้ตายไป มันต้องเล่นกันเด็เอาแช่เอาชนะกันเดบบ็ดดันการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีลูกตายเหมือนกันมีลูกหลงเมือาก็ตั้งปัจจัยต่าอๆมันจะจุกลู่สันตทั์ไปทุกลู่สันตร์ได้นคนคนเดียวได้สักทีตนเดียวมีทุกลู่แบบได้ทุกอยากก่างความรู้จากตัวเดียวใช่ได้เสพผลประโยชน์ที่เราสร้างที่เรามานทำแบบนี้ไม่ใช่เป็นขอใครอยู่ในตัวท่านอยู่แล้ว จึงไม่ต้องไปโอ่ไปอะไรไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นมีสตินี่แหละการไม่หลับไม่นอนก็ได้อย่างที่เบสเขาไหว้พระตลอดวันเขาก็ทําหละบางทีจะให้เราไปไหว้ตลอดวันนั้นเขาอาจจะไม่ค่อยได้การไหวพระของคนที่เบตเขาจะมีกระดานหน้าสิบอย่างน้อยอันนี้น่าแปลกก็ลุกขึ้นยืน เราก็ยกขึ้นวางมือกเอ็เมยลงไปเมยลงไปมือเหยียดไปขาเหยียดไปให้ตรงเอามือหน้าอกส่วนหน้าปากจดกับพื้นก็ลุกขึ้นไาเดินขึ้นไปแข่งกันหลงตาไปแข่ง ก, กันกับพวกที่เบตอยู่ที่พุทธคยาเอา้าที่เบสอาจจะหนุนกว่าเราเราก็จะแก่ถ้าจะเปรียบเทียมกันเหมือนไหวนะเขาไหว้ เขาไหวเกงเขาเดินอยู่เขี่ยงทางนะมันนะมันวหวเราก็เดินครับมันว่าอยู่มันจะเจงขนาดไหนมันจะไหวเก่งขนาดเราเดินเนี่ยเขามีความรู้สึกตัวการวหวเรามีสุตัวอยู่การเดินเขาเคลื่อนไหวเราก็เคลื่อนไหวเราก็ใช่ความรู้สึกตัวอาาันี่เดินเขาใช้ความรู้สึกตัวอาาับี่บ้านหรือว่าเขาทําเพื่ออะไรเป็นพิธีเฉยเรามีสติความเดิน เขาไม่ีสติกับการไ่าอาจจะได้อะไรยังจะสะดวกเราต้องไปเอาแบบนั้นตลอดไปเลยเห็นคนที่เบียดไปเที่ยวสังเวยเชียนสารที่ใดที่ไหนไปไหว้กันปีนี้ไว้ไปแข่งกับที่เบีจะไหเน่ยมีคนนิมน์ไปอินเดียเราจะไปบวชให้เราตาพาไปบวชถ้าไปอินเดียนะ่ะยานี้เปไหนไปอยู่พุทธคยานะ บวชก็บวชที่นั่นบวชแล้วสอนธรรมะกตินั่นปฏิบัติธรรมกตินั่นว่ามันได้ปีนงแล้วร่ำเลยนะถ้าไปอย่างนี้จะไปอยู่ถ้าจะไปเที่ยวน่นเที่ยวนี่ไม่อยากไปปีนี้ก็ไปมาแล้วไปถึงปายคีสถานก็โลบทุกที่แล้วล่องรอยพุทธเจ้าอยู่ที่ใดไปตามดูรอยบทตเนปนเาลก็ไปแล้วอินโดนีเซียก็ไปที่ไปดูโบรมพุทธโธแปลว่ารุ่นสาวก ก็นั้นถ้าไปก็ไปจะไปเดินแข่งกับที่เบตสจนจงกรมแข่งกันกันกนกนดูเขาจะไหว้สนานไหนกะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยสารพัดอย่างเลยไม่ใช่เป็นรูปแบบเอาไม่นอนเคยไปอยู่ถ้าเขานี่ไปแข่งขันกับพวกไม่นอนเราก็เดินจะ ก, กรมตลอดคืนแตแนะ่เราก็ดูพระเมษานะก็ทํำสลาเป็นธรรมบา้านแล้วกางนุ่งครอบไหว สองขงอง้งก็มีหมอนท่าหลังก็ไม่หมอนสองข้างมีหมอนถ้าไปกันหลับกันใช้เราก็เดินทั้กรมเนี่ยถ้าเขาไปนั่งหลับเนี่ยเรนอนหลับจะไม่ดีกว่าเลยไม่ใช่แบบไปไม่นอนเลยน่งหลับแต่ว่าไม่มีสติกับการเดินไม่วิประโยชน์เลยไปมีความหลับกับการนั่งเอาความไม่นอนมาเป็นความถูกต้องไม่ใช่เคยฝึกมาเหมืนกันแล้ว สายปีห้าร้อยสิบปดเนี่ยเขาเอาหลวงพ่อปัญญาลันทะให้เป็นหัวหน้าพระใจสิงอบรมพ่อใจสิงเกิดขึ้นประเทศไทยเป็นครั้งแรกเจ้ากุญญาลันทะให้เป็นหัวหน้ากับอาจารย์ที่อยู่ที่ไ่นอนมาสามสิบปีเนี่ยสองโลกหน้าก็สองโลกหัวหน้ารูปหนึ่งไปนั่งโชว์ไปอยู่ที่ใดเดินทูดองมาสามเดือนจากกรุงเทพออกมาทาบริษัตท สะ บ, บุรีแล้วก็ไปเที่ยงถังจำอะไรไปภาคเหนือไปสามเดือนลูกจิตที่ฝึกเก็ดจิบลูกไปอยู่ที่ใดแบบไปนั่งงํำตาไหลาอาบแล้วก็ไปดูพอไปดูแล้วตอนเย็นทำวัดตอนตอนเช้าทาวัดก็มาพูดของตาก็พูดออเราไม่ไม่อยากให้พวกเรานั่งน้าลายไหลาอาบปากสับประโงกคนมาดูเรา มันไม่น่าดูเลยถ้าจะหรับก็ต้องมีที่บงังกลางมันยมมาทำบุญเขาบอกเราว่าพระใจจริงผ่านมาที่นี่เราก็ไม่อยากให้เป็นนั่งอาบากน้ำลายไหลรอตุกพระเส็นลูกจิตเราก็บอกอาจารย์โน่งก็ให้นั่งหลับตาเราบอกให้นั่งเลยตายกเว้นใช่ว่าไม่ใช่ว่ า, วาก็รู้จึงตัวจะไปนั่งหลับเท้มันไม่น่าดู ก็กวัวจะขนส่งเรื่องนี้ได้ต้องพอสมควรบางคนพอปฏิบัติทำปั๊บก็ไปลั่งหลับตาไปเลยเลยได้เหมือนกันแต่พยายาให้หลับนะมีฐานเอาไว้อาจจะลมหายใจอาจจะลู้ตัวทั่วปอมก็ได้หลับก็ได้ไม่เป็นไรการหลับตาก็เป็นความพักผ่อนของประสาทหลงตาเคยไปดูคนป่วยสมัยเป็นหมอเป็นคราวาสนะ นั่งหลับตาอยู่ได้เป็นเดือนเดือนไม่ต้องหลับแต่พมืก็มีพักผ่อนมันหลับตาเฝ้าคนป่วยดูคนป่วยมันก็มีมันก็ได้บกร ะ, กระไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งสปปะปักโกให้คนเห็น น, ะนั่งหลับตาเฉยๆดูคนป่วยพร้อมที่จะได้ยินคำล่องคำคางการาบอกเอาลุกเอานอนไม่หยิน ใช่ได้ท่าโอกาสไม่ใช่หลับไม่รู้อะไรนั่งหลับทาก็ได้แต่ว่ามีความรู้ตัวทัว้งพร้อมต่นั้นก็ตัวรู้ตัวเด็กอ่ะโอ้เลยละ่ะพวกเราอ่ะบรรทานถูกต้องแล้วไม่ใช่ไปไใช่อดีตบทที่มันเป็ น, ปนอันอื่นเลยนั่งก็ได้ไม่ลุกก็ได้แต่ว่าต้องอย่าไปนั่งหลับนะทำทำวินัยเนี่ยพิจูจะหลับกลางวันให้ปิดประตู ทำไมจึงมีวินัยขอ้อนี้เพราะคนจะบาเห็นพระนอนไม่ปิดประตูบางทีก็เละเลือนเรือนถ้าน่องพระห่มหลุดลอยโก น, นอนคากอ้าปากไม่สารวมมันเป็นที่เสื่อมศรัทธาของคนมาดูพระวินัยจึงบอกให้ปิดประตูสะชะจะนอนนกฎก็ปิดไว้จะให้คนเห็นถ้ากฎมันมุ่งมันบากอาภาจิวรขุมใช่ไหมเ็น เขาจะนอนนะแต่เราจะไป น, นอนเราแบบป่วยๆเล็กลงหนังให้คนเห็นแม่แต่พวกเราทุกคนเหมือนกันอันนี้อริบุตรเนี่ยเราจึงชั่วที่สุดแล้วการมีสติแหละไปได้ทุกๆุกแบบไม่ใช่เอาฐานเดียวหายใจเข้าออกมาตั้งเหนือจะดือสองนิ้วก็ได้เลือดึ้นมาหน้าทอ้องเลยกันมาปวดดาวอกคอ ่าอยู่ที่ขึ้นมาสมองค่อยลงมาลงมาหย่อนลงมาตามฐานต่างๆตามมาตั้งไวหวงก็จะดูสองนิ้วไปทังำนาญชหนางก็ได้ไม่ว่าอะไรใครจะลองก็ได้หรือหายใจเข้ายบพองหนอนหายจอยกหนอนดองดูเจ้าทองก็ได้ ถ้าเรามันเคลืนไหไม่ได้เวลานอนป่วยก็ได้หายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกก็ได้ไม่จํ า, จ า, เาเป็นต้องมาสร้างจังหวะตลอดเวลาลูกศิษย์หลวงพ่อเตียนท่องสร้างจังหวะไม่ใช่เลยไม่ต้องสร้างจังหวะก็ได้เพียงแต่รู้ตัวเท่พร้อมได้เท่งนั้นหรือนอนเจ็บนอนป่วยกระดูกเนิ้อมือเล่นๆก็ได้หายใจรู้สึกตัวได้เท่งนั้นอย่าไปยึดเวรสร้างดีงหวะนอนป่วยร่างกันนั่งก็ได้ อัดดวดที่เราจ้างว่ะเพื่อมันหล ง, งอย่าวเราจั่งอยู่ว่ะสิบสี่จังหวะเนี่ยเพื่อหัดมันรูปเป็นครัง้งรูปเป็นครัง้งรูปเป็นครัง้งถ้าเรามาลูปรูปทํานามทําเนาเอาไว้ไปก็ได้เพื่ออะไรให้มันทําตอกความให้ความรู้ถึงตัวมันเนนนต็ม่นบทหลังตาทําแบบไม่ก็นั่งในมุง้งนั่งในพ้าหงส์มันหนาวพระหงส์กุมหัวแล้วก็ดีดีอยู่มาเลยมันหนาวพระหงส์นวมดึงไว้ ม่เสลี่ยเฉลี่ยมันดึงตัวไปอาจจะไม่ต้องยกเบอร์เลยมันเครื่องผ้าหม่มใช่ไหมผ้าห่มมันเป็นกุมัวไปเอามือมาเพืดังกันไมาใช่ลูกชิดต้องพยายามต้องสิ้จังบะอันนี้ตลอดเวลาไม่ต้องทํานี่ก็ได้อ่าไปตายก็ได้เอ้มันจะตายหายใจไม่ออกเมันก็รู้ตอนนั้นแหละเอามันหายใจไม่มันต้องหายมันและมันจะไปลมหายใจสติตามลมไปมันไม่ได้แล้วหายใจไม่เข้าแล้ว เมื่อมันหายไมได้ก็เพื่อให้มันละเมื่อเราไปต้องหายใจเมื่อมันหายใจจะประโยชน์หลังเอาไม่ต้องเป็นอะไรกับมันเลยมันก็อยู่ได้นะคนวิจนะเราพยายามรู้จักมันไม่ได้เราบางอย่างอธิบทในชีวิตเราเนี้ยจะแบบนันตายเหมือนเวลางเลยเราชื่อของชื่อก็ได้อาจายก็เชื่อมาเอ๊ไปหลบตายที่ไหนหนูมาเห็นตัวตายแบบลำบากอาจารย์ต้มไม่หลับไม่นอนเลย แี่ตายตรงไหนเนอจะทำแบบไว้หลังได้ไหมเนาะเวลาใกล้าตายเอาน้ําเอะไรออกหมดดังหมดเลยให้ก็ได้เอาอดั้นก็ได้แต่ว่าไม่จะเป็นเสมอไปนาวันตายก็ได้พระเจ้าเราก็ยังศีหสญาตินิพพานยันข้างข้างซ้ายข้างขวาก็รูปปางนิพพานได้แต่นั่งเหมือนไว้หลังก็ได้ แต่ว่าเมื่อถ้าเหมือนกับพวกศาสนาพวกเขนเขาเขายืนไม่รูปผ้าเลยยืนเขาวันเขี่ยวตัวกันห่อยืนตาอยู่เมาทาบนดักบากรัาเข้ามาเลยปากให้ใส่เขเือ่อเอาน้ำเลยปากให้เจ้าไปนั่นหรือพวกเราเะกินเองไหมหรื อ, อ น, น่านก็เป็นศาสดานะอย่าหลงนะมีเวล า, าไปอินเดียเนี่ย ถ้ำอัญชันตาเป็นของพุธทธอมาโลลาเป็นของเคนไม่ใช่เสซนด์ด า, าเคนศาสนาเคนเลยกายเดี๋ยนี้ยังมีอยู่โพราะสร้างถ้ำเหมือนกันแข่งขันกันมีทั่วไปเขาทําขึ้นทีหลังแข่งกับพระพุทธเจ้าแข่งกับภาษาโวกในที่ใดอย่างพุทธคยาก็มีที่ของพวกเคนพวกฮินดูในนีโคด ตอนถันเข้าลังสุจดาเดี๋ยวนี้เขายืดเอาเป็นของฮินดูเขารตร้งสีบัลลึงไว้แเราไปก็เห็นสีบัลลึงไม่ใช่เห็นพระพุทธรูปในอิชิปัตนะที่พุทเจ้าแสดงการทมาเทศนาครั้งแรกก็น่าเนี่อย่าหลงเอารูปแบบต่างๆไม่เป็นไรมันเป็นสาสนเทุต่างกันแต่ว่าตัวสานธรรมเนี่ยเหมือนกันหมดเลย นี่ยอดเยี่ยมศาสนาธรรมคือสติฮินดูมีสติได้ไหมพวกคิดมีสติได้ไหมอิสลามมีสติได้ไหมได้ทั้งนั้นศาสนธรรมเหมือนกันต้องตรงนี้แน่นอนที่จะเดือการเกิดเจริตายไม่ใช่ศาสนพิธีศาสนวัตถุศาสนาบุคคลไม่ใช่เลยศาสนบุคคลก็ต่างกันแม่พุทธศาสนาของเรานะ่ยศาสนาบุคคลอย่างพวกอาญาน ลุ้งห่มไปแบบหนึงเถระบาสองลุ้งห่มไปแบบหนึ่งมันต่างกันอยู่แต่ว่าศาสนธรรมนี่เหมือนกันหมดหลวงตาก็ือนกันเนนก็บังกันวาสิกาให้ชี่อญาติโยมเหมือนกันหมดมีสติเหมือนกันเลยอันนี้สามคนเป็นอันเดียวกันเราใจกลัวอะไรเรารู้สึกตัวเลยรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้ความรู้สึกตัวที่มีกับพุทธิย้าอันเดียวกันเนี่ยศาสนธรรมงั่นใจเถอะ อยู่ที่ไหนที่ใดก็ตามเราีหลักกันนี้ไว้วิธีเจ็บเหลือกังเคยเจ็บตายอันนี้แทๆ้ๆไม่ใช่ยาไม่ใช่ใไข่ญาพี่น้องทรัพย์สินทองไม่ใช่เลยเป็นอริทรัพย์ของเรามาสร้างกันเถอะมาทํากันเถอะให้มันมากเพราะเราก็มีเรื่องนี้กันนิวัตว่าไม่ใช่ไปแสดงธรรมอยู่ทุกนานั่งขั น, นาแสดงธรรม เราก็มานั่งพูดกันทีน่นี่พิศาราอย่างนี้มีที่พักที่หับที่นอนพอสมควรจะต้องมีอย่างนี้เขียนมาอย่าไปเอาอันนี้สาจรจวัตถุนี้มาเป็นเครื่องปมด้วยผมเครื่องได้แล้วทำได้แล้วทำไม่ได้ความรู้สึกตัวทุกคนทำได้ยึ่งตบอกคงโหลเราทำได้เทียบไหลเลยเคยคิดเรื่องนี้เหมือนกันหล้มตาสมัยปฎิบัติกับหลวงพ่อเทียนได้ เป็นโยมไปปฏิบัติอยู่หลายวันอาทิตย์หนึ่งสองก็อาทิตย์ไม่รู้อะไรเลยประเมินตัวเองโอ้ยหลวงพ่อ เ, เทียนพูดที่ไรหลวงพ่อ เ, เทียนเขาพูดว่าอารทำบุญให้ทานรักษาฉินเป็นอันหนึ่งการเจริญสติเป็นอันหนึ่งเคยทำบุญมามากสังกัดฉินทุกปีทําบุญบ้านทุกปีบวชพระทุกปีที่เราไม่ทําเหมือนหลวงพ่อเทียนอนปฏิบัติทําให้มันทําให้ รู้ธรรมะไม่ใช่เรื่องนั้นเราก็มาเฉลอเราไปรู้ธรรมะพอกไปเลยทำบุญกระถิ่นพอะไม่เลยสร้างความบวชจะเป็นคนโจนเราจึงไม่บรรลุธรรมมาเช็ดผมร่อยเกินไปก็เลยไปถามหลมวงพ่อหลวงพ่อผู้ปฏิบัติกับหลวงพ่อเลยไม่รู้เลยเลยมีไหมก็เฉลอตัวอย่างคงเป็นผมนี่แหละหลวงพ่ออยางไม่รู้เลยเลยอาทิตย์กว่ากวาแล้ว ว่าเถียนเขาว่าจับมือเอาจริงเลยเอาจริงอ่ะหลวงพ่อก็ต้องทําเหมืนอนหลวงพ่อบอกเลยหลวงพ่อบอกต่อเราเคยทําหาเดือนหนึ่งได้เงินกี่บาทให้เงินเป็นพันบาทแล้วเดือนหนึ่งอะ่ะเอาถ้าอยู่นี่ปฏิบัติธรรแบบนี้เดือนหนึ่งไม่รู้อะไรเลยจะให้เงินพันบาทสองเดือนจะให้เงินสองพันบาทสามเดือนให้เงินสองพันบาทถ้าไม่รู้อะไรแล้วจะต้องทํารีงจริงนะ หลวงพเทียนคุยอวดแล้วเทียบไหลกับหลวงพ่อเทียนลำเดียก็ถามหลวงพ่อหลวงพ่อปฏิบัติท่าแบบนี้อายุเท่าไหร่หลวงพ่อเทียนว่าอายุสี่สิบหกปีตอนนั้นเราอายุยังไม่ถึงสามสิบปีเต็มเอ้าเราอายุสามสิบปีครับอายุสี่หกปีเนี่ยใครจะดุงกันวะเราต้องหมึงกว่าหลวงพ่อเทียนน่ะหลวงพ่อเทียนจะเจอ ก, กันไหนสี <c oughs> ่หกปีกับอายุสามสิบปีเนี่ยมันต้องเราต้องเจงกว่า อ๋อมั่นใจกันบ่าหาเตียงออกมานั่งมานอนใกล้ใกล้กะตีหลวงพ่อเทียนจะดูหลวงพ่อเดียนว่าจะเจ๊งหรือหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อบอกว่าให้ทำเงินเราบอกนะเอาการบอกหลวงพ่อเทียนไม่พอต้องมาดูลองพ่อเทียนอลยเอาเตียงออกมาแต่ก่อนไม่มีกตินะเอาเตียงหามเตียงออกมามาอยู่ไม่ไกลเกินไปพอเห็นหลวงพ่อเทียนทุกเวลาละที อ้าวพอเอาเตียงออกมาเห็นหลวงพ่อเตียนเอาคนมาหาหลวงพ่อเตียนอ่ะเมื่อคนมาหาหลวงพ่อเตียนเราต้องไปรับแขกไปปูเสือ่อไปให้น้ําตอนรับแขกให้หลวงพ่อเตียนเมื่อคนนี้ไปเราไปเจ็บเสือ่อเจ็บน้ําเอาไปมาไม่ได้แต่ความเพียรเลยมัวแต่คอยดูคนที่จะมาหาหลวงพ่อเตียนอุย้ยไมได้แต่แบบนีหาเตียงนี้เข้าไปไปล่อยอ๋อ เราปฏิญาณจะมีไม่มีก็ว่เาเป็นเลยเราจะเราปฏิียนสานยกมือจ้างว่าล้วก็นี่สเสร็จแล้วยกปือจ้างว่าทําไปทำเทียบได้เลยมีไหมเพอเรามีกรรับลังใจกันมาเทียบไลยเลยอายุเท่าไหร่ก็ตามเทีบยบได้เลยใครก็รู้ได้ไม่ใช่คนดนุ่มคนแก่ไม่ใช่นักบวชไม่ใช่ฆราวาสไม่ใช่คนเจ็บใค้ได้ป่วยเลยผมรู้จึงตัวทําได้ทุกคนนะมั่นใจ วันนี้เราก็มีโอกาสพบกันเลยเราไม่ได้พบกันหลายวันแล้วหลองตาก็ไม่เคยคินแบบนี้จะเข็นหน้ากันทุกวันสมัยก่อนก็มีการที่จะกรรมฐานเช่แบบนี้กับเีแต่ว่าหลวงตาเข้มแต่มาทําวัดกับหลวงพ่อเถียนทุกวันฟังหลวงพ่เทียนพูดทุกวันตอนเช้าตอนเย็นแต่ก็เข้มไปอยู่กับการปฏิบัติธรรมเข้มกับการมีสติ บางลูกก็ไม่มาธรรมัดขอปอนาไม่หมาฉันไม่มาธรรมัดแต่เรามาฉันกับหลวงพ่อเทียนทุกวันมาธรรัตรกับหลวงพ่อเตียนทุกวันอจ้าใดที่หลองพ่เทียนพูดเราลู่เจ้าใดหลวงพ่อเตียนพูดเราไม่ลู่เราก็ทำตรงนั้นเราไม่ต้องถามท่านหลวงพ่อเตียนก็ไม่ต้องไปสอบอารมณ์อะไรเพียงแต่เรามาฟังสิ่งที่หลวงพ่อเตียนพูดเราก็ลู่ในสิ่งที่หลวงพ่อเตียนพูด ที่หลงพเดียนพูดเราไม่รู้ก็พยายามทำบางทีเราหลงตรงตรงที่หลงพเดียนพูดว่ามาไม่ถูกเราก็แช่แน่เพราะฉะนั้นเองก็มีประโยชน์บ้างการมาฟังบางทีมีประโยชน์บ้างก็ได้แต่ถ้าเราที่จะเอาบุกเบิกไปเลยก็ได้นะ